ถ้าเราได้ฟังหลวงพ่อทันเทศถึงว่าสมัยท่านบทใหม่ๆไม่มีเสนาสนะชีวร ก, ก็ปุบปุบปะปะเป็นรูแมงไม่เฉพาะรุ่นหลวงพ่อหรอกสมัยผมรียนตามาบวชก็เป็นอย่างงั้นแหละเหมือนกันไปหรือคนเอาอผ้ามา ไม่มีอดิเลตกราบสังกติจำได้เป็นรูเป็นรูพอไปลงวินัยวันพระ <c oughs> ก็บอกว่าถ้า พ, พิสูจนถ้ามีรู <c oughs> ก็ต้องปะชุนทันทีถ้าปล่อยไว้ถือว่าเป็นอาบัตจำได้ยังเป็นรูอยู่คลสีด้วย สกติก็สีหนึ่งจีวรก็สีหนึ่งปกติก็นิยมเป็นชุดสีเดียวกันแต่มันจำเป็นเพราะว่ามันมันเป็นของหายากมีบาทลูกเดียวที่ซื้อแล้วก็ยังอยู่นอกนั้นก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆ ของหายากมันเป็นของหายากใช้ให้คุ้มดูแลรักษาเต็มกันก็คือใส่ปฏิบัตินีมันมีความรู้สึกอบอุ่นใส่ชีวนตอนบวชใหม่ๆ ม, มาเสร็จเส็จนะใส่ทั้งชุดเลย<ม>เดินจงกรมทั้งชุดเวลาทำวัดก็ไม่เคยได้ถอดอะมันภูมิใจ หลังจากทำวัดเสร็จก็ใส่ทั้งชุดเลยเนนไม่มีสังติแต่ว่าเป็นพระสงฆ์ต้องมีสังติเหมือนยศตำแหน่งของทหารก็ว่าได้มันจะแบ่งกันได้แต่ว่ายุนีมก็เปลี่ยนไปแล้วนะอาจจะบางที ใส่สังขติบ้างไม่ใส่สังขติบ้างอย่างเช่นเราเห็นวาหลวงพ่อเขียนท่านก็ไม่ได้สะายสังขติแต่อาจารย์ไปสาลจะพายอยู่ตลอดทำวัดทุกครั้งท่านหลวงพ่อท่านก็จะไม่ได้ใช้สังขติสมัยก่อนทำวัดเย็นนี้ไม่ได้ใช้สังขตินอกออกภาษาแล้วมัก็ได้ใช้กันถือว่า มันก็เนือสมมุติบางนั้นนะแต่ในช่วงข้าวันสานี่จะใส่กันตลอดเหมือนกับพระป่าวัดป่าเนี่ยก็จะสะายกันตลอดนะจนลุ่งอรุณนั่นแหลนะแสงเงินแสงทองมองใบไม้เป็นสีเขียวแยกสีได้เห็นลายมือตนนะเรียกว่าลุ่งอรุณก็แยกกันสังติเก็บไว้อย่างดีตัวจะไปไหนก็ไป แต่พอคำมืดปั๊บต่อไว้ใกล้ตัวทันทีไม่งั้นผิดวินัยปัจจัยสี่ก็ต้องระมัดระวังรักษากันอย่างดี <c oughs> กุฏิก็ไม่มีใครได้กุฏิถือว่าเป็นอดีตเลยราลสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนไปสาราก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นสมัยก่อนก็เล็กๆสาราไก่ จูได้ไม่กี่คนขึ้นไปกับโยกเยกโยกเยกจะพังหรือไม่พังสลากลางน้ําก็เหมือนกันขึ้นไปกับสันสะเทือนโยกเยกโยกเยกเราก็เลยนี่แหละใจประกอบกับการปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งแวดล้อมกับการปฏิบัติธรรมทางเดินยงกลมก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้มีเยอะ ก็ตั้งใจไว้108กิเลส 1,500 าตัณหา1้8ก็ทำไว้ร้ออันคนเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีแต่ส่วนตัวมองเห็นว่าประโยชน์สูงนะการเดินในกรอบของทางเดินจงกรมมันมเกิดวางการวางใจได้ไวนะถ้าใครเดินทางเดินจงกรมรู้สึกอึดอัดแล้วกแสดง่าวางใจไม่เป็นนะเห็นชัดชัเลย เดินสักพักหนึ่งแล้วก็อึดอัดโถไม่ได้เดินอะไรมากมายแล้วก็เดินวางใจสมดุลแล้วก็ตรงไหนก็ได้มันจะได้พูดคําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรอะไรก็ได้แต่ถ้าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตรงนั้นตรงนี้นตรงโน้นอย่างที่ทําไว้สำหรับคนฝึกใหม่ฝึกใหม่ลองไปเดินดูจะเห็นเลยสมดุลไปสมดุลมันจะบอกทันที ตรงโน้นดีโล่งดีไม่มีกรอบอันนั้นยังไม่ใช่หรอกนะบอกเลยไงก็ไม่ใช่ของจริงตง้องตรงไหนก็ได้นะเดินไม่กระดานแผ่นเดียวก็ได้วางใจเป็นหรือนะเรียกว่าเดินไตลวดก็ยังได้ลนะไะเดินไตเล็กๆกระดะคันนาเล็กๆกระดานะมันจะรู้สึกมีสตินะกลับมารุ้นเนื้อรู้ตัวระมัดระวังได้ดี นิมิตของทางเดินจงกรมเช่นฝนตกทีมก็สูงสู ง, สงต่ำต่ำเป็นเนินตะลึงลงมาบางทีกับน้ำหลาบางทีกับน้ำขังก็ปรับให้มันเสมอซะระดับน้ำทะเลเดินก็ไม่เมื่อยเพราะาถ้าเดินมันไม่เท่ากันก็หลังเสียหมดขาสั้นข้างยาวข้างหลุมหลุมบ่อบออถ้าเดินทั้งวันมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตลับคนสูงอายุคนนมนมอาจจะดีอย่างเงี้ยหรือว่าเดินกันสบายก่อนเดินกันทั่วเลยที่ประมาณสิบฝ่นไล่เดินกันอยากเดินตรงไหนก็เดินก็ไปเหยียบต้นไม้เล็กๆหายใจไม่ออกต้นแกลนหมดเลยเหยียบที่มันแน่นลากมันออกซิเจนไม่พอสลัดใบหมดดินแข็งน้ำซึมไม่ได้ ก็สงสารมันคนก็ชอบกวาดใบไม้กันด้วยนะต้นยางปลูกมาสิบกว่าปีช่วงทำทางเดินจงกรมใหม่ๆลานอินโค้งใหม่ๆ ก, กวาดกันจัง <c oughs> มันก็เลยมีปัญหานะปุ๋ยีของใบไม้มันก็ไม่คลุมโคนต้นความชื้นก็ระเหยขึ้นมามีนาเมซ า, าแมลงเห็ดละงอกเดินเหยียบกันไม่ทันโผล่มาแล้ว ดินแข็งดอกเล็กใช้แบบแม่เพียนอืมเออดอกมันเล็กอะไข่เล็กๆก็งัดกันแล้วแต่มีใบไม้มปกปิดเนมันก็โตถึงโผล่กันมาใบไม้เหตุสารพาัดเหตุเหตุถ่านมันก็เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านแล้วก็คนในวัดนี่แหละสมัยก่อนชาวบ้านมาหากันคนในวัดกนมารู้เรื่องหรอก ตลังเห็นว่าก็มาหาอะไรกันกันเลยออกหากันมั่งคนไม่รู้จักก็รู้จักกันขึ้นมาไรเห็นแล้วโง่ก็เป็นนิมิตแบบนั้น <c oughs> ฝนตกตะทีมทีน้ํามันหลากลงไปอู้เลยกุนลงปรกรมเยงนี้ยบ้านพักคนจะลายน้ําทะลักลงไปโอ้นิมเป็นไัย์นี่ไพัยธรรมชาติเอาหน้าดินไปหมดลงสะน้ําก็ขุนคลักเลย พอทำเป็นทางเดินยงกรมน้ําก็สก๊ะแสก๊ะสก๊ะแสก๊ะแน ท, ที่อยาไหลหลากตูมตูมตูม ต, ม ต, มตมลงมาก็ไหลเลียเลยเลยเล้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวไปเห็นประโยชน์อย่างนั้นนะนีนะ่ยโดยเพราะการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยใช้ทางเดินยงกรมดีดีบอกเลยยังไงก็ดีถ้าจิตมันเดินได้ธรรมดาธรรมดาก้าวเดียวแต่เออเริ่มเข้าที่เข้าทางเหมือนกับมันหัดว่ายน้ําในสระ มีส่วนประกอบของส ะ, ส ะ, สะตื้นสะลึกอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยนะนไม่อยู่ไปหัดคองลึกแก่ไหนก็ไม่รู้ขื่นซัดมารุนแรงก็ดำพุดำโาโเงก็เลยเป็นสิ่งแวดล้อมทีนะ่มองว่ามีคุณมากกว่ามีโทษอีกอันนึงก็คือการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันเหมือนการอาชีพหลัก การทำอาชีพหลักหาเงินหาทองให้มีเงินมีทองขึ้นมาเราสอนเรื่องการหาเงินกันทำงานหาเงินว่าต้องไงก็บอกเราจนต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอย่าไปบอกเรารวยมีแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้ประมาทเกินไปเศรษฐีตัวจริงเนี่ยก็ทำงานแบบไม่มีใครรู้เลยภาคีริ้หอทองเนี่ยก็ทำเหมือนเช่นเคยรวยแล้วก็ยังทำเหมือนเดิมอย่างี้ อย่างเช่นขอทานเนี่ยขอเป็นล้านเป็นสองล้าน3ล้านนะถึงก็จะมีเงินสองล้านสามล้านก็นยังไปขอเหมือนเดิมเก็บบาดเก็บสลึงมีสลึงเปินมันจับให้ครบบาทใหญ่ขาดสิ่งของต้องมาส่งมีน้อยใช้น้อยเขาเป็นจงจะใจลงให้มากจะยากนานอันนี้คือไม่มีเลยมีเขาก็ต้องกลับมาทําไอที่มีอยู่แล้วก็แล้วไปทําวันกินวันเหมือนเดิมอันนี้ละคนรวย คนจนทำตัวรวยยังไงก็จนไม่ต้องปฏิบัติในรูปแบบเชื่อไม่มีหรอกยังไงก็ไม่มีเจอเข้อสอบเดี๋ยวข้สอบตกพอเจอทำเป็นตาแข็งใส่ทำเป็นดูดาใส่ตวาดใส่เดี๋ยวเียหูตาแดงหน้าแดงลมหายใจหยากคำพูดต่างๆก็พร้อมที่จะโต้ตอบก็ อ, ออกมาทันที าอสอบตกในเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทกันดีกว่าถึงจะมีแล้วก็ถึงสติปัฏฐานอย่าไปทิ้งเลยการเคลื่อนการไหวฐานกายทํำก็ไว้ไม่ถือว่าผิดหรอกแต่ใครไม่ทําอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ลูกศิลป์หลวงปู่เทียนหรอกหลวงปู่เทียนพูดชัดรู้กายเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ห้าม ไม่ให้ซักผ้าไม่ให้ไปทํางานเปล่าแต่ถ้ามันรู้ในรูปแบบแล้วนอกรูปแบบให้ไปทําเถือ่อยังไงมันก็รู้แต่ถ้ารู้นอกรูปแบบแล้วมาทําในรูปแบบทําไม่เป็นยังไงก็ไม่ใช่หรอกมันจะไม่ใช่ที่ไหนบอกว่าชั้นชกมวยเตะ ค, คู่ต่อสู้ได้ราคาคุยหรือเปล่าลองมาเตะกรสอบทรายเตะไม่ถูกมันจะเตะเตะ ค, คู่ต่อสู้ถูกตรงไหนนะเช่น เมื่อกี้เนะี่ยบางวางโทรศัพท์มีหมออยู่คนหนึ่งก็เป็นหมอสอนจิตคนไข้ที่เป็นโรคจิตสอนจิตคนไข้ให้ดีขึ้นไหมโดยหลักการทางตะบันตกปรากฏวาหมอเจอเข้อสอบใหญ่หลังจากที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสโกโตก็ในรูปแบบนี่แหละ ท้ายสุดมันก็ยังไม่พอปรกุลากงตายเป็นอามพาตมาสิบปีเสียชีวิตไปโทรศัพท์มาก็ไม่ได้รับหรอกเห็นเบอร์แปลกๆมัค้างอยู่้เบอร์ใครก็โทรกลับไปก็เป็นหมอที่เป็นหมอรักษาคนไข้โรคจิต ปรากฏว่าพอคุยโทรศัพท์บอกอาจารย์เนี่ยหนูยังไม่ค่อยว่างเลยตอนนี้แต่ว่าอาจารย์โทรมาก็จะเล่าให้ฟังแต่ก็ยังไม่อยากเล่าเลยนะเพราะว่าเล่าแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้เป็นไรเล่าเถอะ อากงเสียชีวิตนะหลังจากดูแลกันมา10 ป, ปีเป็นนามาพาศไปร้องไห้ทำไมล่ะก็หนูยังตอบแทนก็ยังไม่ถึงที่สุดทุกครั้งไปเจออากงก็ร้องไห้ทุกวันเลยเจอมาไหลก็ร้องไห้มานั่นแหละทุกครั้งตอนหลังเนี่ยไม่อยากไปหาเพราะว่าไปทีไรก็ร้องไห้สงสารอากง ลาทยสุดากงก็ตายนะหนูยังดูแลก็ไม่ที่สุดเลยยังอยากจะดูแลอีกยังดูแลไม่เต็มที่แล้วก็ร้องไห้ไปในร้านขายแว่นลวเล้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย ว, ยวสะดวกให้โทรใหม่กัแล้วกันก่บอกหนูร้องไห้เนี่ยหนูอายก็คนก็มองเต็มไปหมดเลยก็เลยตอนเย็นก็โทรมาอีกก็มาได้รับอีกก็เลยก่อนตอนน่านเนี่ยนั่งคุยกับเน้ากุน กำลังจะขึ้นแท็กซี่กันนี่ก็หนูโทรอาจารย์ดีไลยนะ่ะอาจารย์โทรมาไม่สะดวกสักทีเอาเถอะมีอะไรก็คุยมาเถอะไม่เป็นไรหรอกตอนนี้หนูกาลังขึ้นแท็กซี่ขออภัยนะกระบอกแท็กซี่ไปทางนั้นทางนี้ทางโน้นขึ้นทางด่วนะพอหลังจากบอกแท็กซี่เสร็จก็หันมาคุยนหนูสงสารอกงอาก ง, ากงเลี้ยงหมูตลอดฆ่าหมูตลอดกลัวกงไปไม่ดี เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราห่วงก็มากนะตอนนี้ห่วงก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไม่ให้กันแล้วกันนะแต่จะไปช่วยเหลืออื่นๆก็คงจะยากอยู่แตาอาตมาทําวัดเย็นนี่เดี๋ยวแผ่เมตตาจุทิตส่วนกุศลไม่ใหนะ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเสียใจก็นั่งแท็กซี่ก็ร้องไห้ก็ไนดะ้ในรถแท็กซี่นี่แหละก็คืออาการของ การใช้จิตตวิยาทางตะวันตกแต่ไม่ใช้จิตตภาวนาให้รู้สึกตัวฐานกายมันท้าให้เป็นงานหลักมันก็ไม่พอใช้หรอกตังวิธีการรูปแบบหลักไม่เป็นทำไม่เป็นกายเคลื่อนไหวใจรู้นะมือเคลื่อนเท้าเคลื่อนเดินยงกรมเนะี่ยมันไม่รู้มันก็ไม่พอใช้หรอกเวลาเจอก็สอบก็เป็นอย่างที่เราไปฟังนี่แหละสีใจ ตอนมาปฏิบัติก็รู้แล้วรู้แล้วเวลาปฏิบัติรู้แล้วทําไมไม่เดินจงกรมทําไมนั่งสร้างจงังหวะทไมนั่งดิ้งดิ่งรู้แล้วรู้แล้วมันรู้แบบนั้นเจอเข้อสอบอเดี๋ยวรู้เรื่อง อ, อันนี้ก็ยกตัวอย่างอ้างให้ฟังน αι. แล้วก็เกิดกับตัวเราอะนินทาสันเสริญเห็นหน้าคนแล้วพอใจไม่พอใจตาหูจมูกลิ้นโอ เดี๋ยวจะไปถึงไหนกันจะจับหลักไม่เป็นแต่ถ้ารู้จริงๆก็ไม่ต้องมาอยู่ในวัด น, นี้ไปตั้งสำนักจะไปสอนคนไปที่ไหนก็ได้ที่มันมีคนให้สอนมีคนให้บอกอ น, นั้นจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจริงๆมันจะเป็นเรื่องของหายสงสัยไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามก็สอบผ่าน เกิดการพัดผ้าจากของรักของชอบใจไม่เป็นทุกข์หรอกปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นทุกข์หรอกเฉยๆถ้ามีอะไรที่มันหน้า ย, ยึดอสักอย่างปฏิบัติลล้วจะได้คาตอบอย่างนั้นแหละแล้วถึงตรงนั้นรูปแบบมันก็วางมันเอนอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ทิ้งกายเวทนาจิตธทำไอ้รูปแบบธรรมเพื่อให้เห็นรูปธรรมนามธรรมคือกายเวทนาจิตธรรม ให้เห็นให้สัมผัสแต่ว่าเราดูมันไม่เป็นมันจะสัมผัสได้ยังไงสภาวะดมยังไม่เกิดขึ้นมาพอเคลื่อนไหวรู้สึกมันเข้าไปอยู่เคลื่อนไหวรู้สึกมันเข้าไปอยู่ทําไมมันเข้าไปอยู่ในการเคลื่อนการไหวก็คยอยู่กับความคิดไงย้าคิดย้ําทําตอกย้ํา ทำอะไรแบบท ำ, ทำซสำซากๆคินแล้วโลภแล้วโกรนแล้วหลงแล้วลกรกแล้วจังมันเคยอยู่มาก่อนเวลาอยู่ทางตาดูหนังดูละครก็หลงอินก็ไปฟังเสียงก็หลงเข้าไปในเสียงมาลืมเนื้อลื ม, ลมตัวเพอมาเคลื่อนไหวไอ้ตัวอยู่ตัวเดิมก็มาอยู่กับกายอีกเหมือนเดิมมันไปอยู่ก็ตรงไหนมันก็ติดตรงนั้น ก็เป็นเรื่องธรรมดาใหม่ๆอยู่บ้านก็ติดบ้านตอนหลังก็เบื่อบ้านนักเรียนไปอยู่โรงเรียนก็ใหม่ๆว่วันแรกๆอ่ะตื่นเต้นกับโรงเรียนแต่ท้ายสุดก็เบื่อโรงเรียนพอมีงานใหม่ๆก็ตื่นเต้นกับงานใหม่ก็เบื่องานก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นะมันก็ไม่ผิดอันนั้นคือประสบการณ์เหมือนกันผู้ใหม่ การปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆถ้ามันจะไปอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยมันจะทื่รอว่าเบลอมึนงงเฉยครึ่งรู้ครึ่งหลงทำแบบอัตโนมัติแต่หลงตลอดหลงกัไปในกายจึงมีการให้เปลี่ยนอิยาบทบ่อย หลวงพ่อเขียนต้นกเทศอยู่คนใหม่ๆเลยที่ยังไม่กระจายอารมณ์รูปนามเวลาปฏิบัติให้เปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินจากเดินเป็นนั่งจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดินให้เปลี่ยนบ่อยๆสักพักหนึ่งเปลี่ยนใหม่เดินช้าบ้างเดินเร็วบ้างสัมผัสแรงๆบ้างเดินถอยหน้าถอยหลังบ้าง คนใหม่ๆมันก็จะรู้สึกสนุกกับการปฏิบัติเนี่ยก็เคยทา ม, มาไม่ใช่ว่าหลวงพ่ อ, เ, อเขียนพูดเฉยๆเราไม่ได้ทำแล้วจำมาพูดไม่ใช่เคยทำ ม, มาเคยเอาคำพูดของท่านเรามาทำทั้งหมดนั่นแหละทีนี้มันจะค่อยๆแล้วรู้สึกตัวหลังจากที่มันอยู่สึกตัวมันอยู่ก็ไม่ได้สึก ของตัวตัวกายไปแช่ไปจมอยู่การเคลื่อนการไหวหนักเหนื่อยเพง่จงจ้องจี้กายเป็นรู้ถอนถอนถอยถอยแตะรู้ปล่อยแตะรู้ปล่อยเหมือนไปอังอังดูตรงไหนมันร้อนมันจับไข้หรือเปล่าแตะแตะสักพังแล้วปล่อยออกไปจะเป็นลักษณะนั้นดูที่รู้รสึกยังไง ร้อนเย็นมันเหมือนอย่างนั้นเวลาเรารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวแต่ละขณะไอ้ตรงรู้สึกตัวเนี่ยแหละมันไปรู้สึกเวลาคิดด้วยตัวรู้ตัวเดิมเมื่อก่อนมันอยู่ความคิดพอมารู้สึกตัวมันกลายเป็นอยู่สึกตัวแต่พอเริ่มรู้ตัวมันก็เริ่มรู้เวลามันคิดแว๊บแวบแวบๆว๊บแไป พอเราเปลี่ยนที่จะบทใหม่ๆตัวเพ่งตัวที่มันจมมันก็คลายเริ่มรู้สึกแล้ะละครก็เนี่ยเอ๊ะหนักก็มีเบาก็มีมันไม่ปกติก็มีมันปกติก็มีไม่สมดุลก็มีมันสมดุลก็มีมันไม่กลางก็มีมันกลางก็มีมันไม่เฉยก็มมันเฉยก็มีอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเห็นเริ่มสังเกต ไอ้รู้สึกตรงนี้บ่อยๆมันจะกลายเป็นผู้ดูขึ้นมารู้รูปตามนามถามขึ้นมาเห็นรูปนามเห็นนามรูปขึ้นมามองเห็นอาการของรูปไอ้ตรงนี้แหละจะเห็นรูปทุกนามทุกขึ้นมาเห็นรูปโลกนามโลกขึ้นมาอาการต่างๆเริ่มเห็นรายละเอียดถือตรงนี้มันไม่มาคอยถามเราทําในรูปแบบนอกรูปแบบอะ คนมันเคยรวยทำงานหลักอะไรมันก็ติดใจอันนั้นนะมันก็ทำมันต่อไปไม่เกี่ยวกับมีไม่มีหรอกสติปัฏฐานมันเกี่ยวกับทำแล้วมันทำถูกมันก็มีผลทำเหตุแต่มันก็มีผลเัฉนผลของความเป็นบอร์เตงเต็มพื้นที่เรื่อยๆ ทำไมมันเต็มพื้นที่ได้ล่ะความเป็นปกติทุกครั้งที่รู้สึกนะเพราะว่าทุกครั้งรูปรอยของความคิดที่ผุดเกิดมามถูกลบไปเมื่อก่อนที่เราไม่รู้สึกตัวที่ฐานกายนะทุกครั้งความคิดที่ผุดเกิดขึ้นมาแล้วก็หลงเผลอก็ไปเป็นอุปทานตอกย้ำจนทั้งมันยังมีรอยแล้วก็รอยชัดทั้งที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนี้มันกลายไปว่าทุกครั้งที่มันคิดขึ้นมาเราไม่ได้เข้าไปปรุงเราไม่ห้ามความคิด พอลรออกมารู้สึกแป๊บมันก็ไม่ได้แหงอาหารมันก็ฟอร์มันก็เหี่ยวมันก็ดับไปไม่มีพลังมันจึงไม่ต้องในรูปแบบนอกรูปแบบมันทำเป็นมันก็บอกเองหรอกทำอะไรละทุกร์ดจะทำตรงไหนก็ทำไป้าทาเป็นอนนั้นคือการขยายผลไป พระเจ้าหลวงพ่อท่านกเทศเรื่องอารมณ์ปฏิบัติถ้าทำอย่างอื่นก็ไม่หมอกันแล้วพวกเรานะแต่บางทีก็ท่านก็อยู่แบบเหนือเหนือชั้นรู้ว่ากลุ่มไหนเป็นอย่างไรนิมิตของกลุ่มไหนควรพูดอะไรนะท่านอยู่แบบต้องรักษาใจกันหรือว่าอยู่แบบมีไวพ้พิป ฏ, ฏิพานมีชาวนะอยู่แบบไม่รักไม่ชัง อยู่แบบเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเป็นกิริยาอาการการแสดงออกของท่านไม่เป็นกรรมมีแต่ธรรมชาติมีต่ปัญญาเห็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งแม้กรั่งบทสนทนาตอนฉันข้าวสั้นๆมันก็มีธรรมะอะไรที่เป็นความคิดของท่านที่ท่านใช้แบบเหนือสมมติพูดแบบไม่เป็นกรรม หรือว่าเราฟังแล้วเห็นว่าสมุดบัญญัติที่ท่านใช้นะ่ยมันคืออะไรเข้าใจกันเลยเข้าใจเออทำไมนิมเข้าใจกันไม่ต้องพูดมากแต่มันเข้าใจกันคํา2คําก็รู้เรื่องแล้วนะมันจึงไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากมายจริงจแล้วแค่รู้สึกตัวเป็นเดี๋ยวนะเห็นการเคลื่อนการไหวของกายของจิต มันเป็นอะไรอีกมากมายแล้วเกินภาวะผู้ดูที่มันดูแล้วรู้ตื่นเบิกบานเห็นทุกตื่นทุกนีก่มันก็จึงเป็นเรื่องที่ต้องขนขวายกันหน่อยลนะนะเรื่องอื่นไม่ต้องขนไกวปัจจัย4ี่ห้าเ็ดแดแล้วแต่เหตุปัจจัยของมันแต่เรื่องต้องขนขวายสักหน่อยดําเบให้มากสัไหน่กันเนี่ยการเดินจงกวมกันกนั่งสร้างจังหวะ เช่ว่าที่นั่งอยู่เนี่ยประมาณสักสามชีวิตเนี่ยถ้าทำสิ่งเดียวกันไม่นานหรอกไม่นานเป็นอันเดียวกันหมดอ่ะมันจะเป็นเรื่องของชีวิตที่มันพัฒนาแล้วก็พ้นทุกข์ได้จริงๆโดยเ ก, การเห็นความคิดเนี่ยอศัศจรย์จริงๆนีการว่าใบก็มั น, นมันไม่มีตัวตนนะแต่ว่ามันมีพลังจริ ง, งๆถ้าแยบคายสักนิดจะเห็นแล้วอ ไอ้ลังโจรลังทุกข์ลังของสมมติบัญญัตินะก็คือให้ตัวคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเวลาเรานะรู้มันก็เป็นครูสอนเรานะเป็นครูที่ดีด้วยเป็นสอนทุกเม็ดเลยนะแบบไม่ปิดบางอัมพรางเลยเป็นครูที่ดีมากๆนะครูที่ดีก็สอนแบบไม่ปิดบางอัมพรางเลยละนะนะความคิดของเราปิดบางที่ไหน มือคิดขึ้นมาทื่อๆแต่เราไม่ได้ดูนะทำไมไม่ดูก็ว่าตาในยังไม่ลืมทำไมไม่ลืมมันก็ลืมแล้วนะแต่หลีอยู่หลีตาดูไม่ชัดเจนทำไมยังหลีๆอยู่ก็ความรู้สึกตัวที่กายยังไม่ชัดเลยของหยาบยังไม่ชัดนั้นสติเห็นกายต้องเห็นก่อนมันถึงมีสติเห็นจิตมันถึงมีสติดูสตนะิระหว่างปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันมีตัวงนะ มันไม่ใช่สติจะมาดูเห็นทั้งหมดอย่างเดียวมันจะมีอีกตัวนึงคือจิตดูจิตดูเป็นเป่ามันมีจิตดูจิตด้วยไอ้จิตดูจิตนะถ้าดูดีๆคืออารมิจตวิจาระนะั่นะก็คือวิธีคิดมันไปดูวิธีคิดนะวิธีคิดมันเป็นยังไงก็คือคิดไม่ดีโผล่มาจิตจิตไม่ดีโผ่มา <Yeah. S 1> ไอ้จิตดีก็สอนทันที มีเหตุมีผลทันทีอ๋ยจิตดูจิตคือตัวตัวนี้เองแต่ถ้าเป็นสติดูจิตนะก็คือเป็นการรับรู้เข้าไปไม่ว่าจะจิตดวงไหนก็ตามจิตกุศลจิตอกุศลคิดดีคิดไม่ดีมันก็คือคิดนั่นแหละมันจะสรุปให้เป็นอาการทันทีเป็นกิิยสอาการทันทีมันรู้สึกได้รับรู้ได้เป็นความรู้สึกตัวทั่วสรวางกายนั่นแหละ มันเป็นตัวรอบกองสังขาร น, นี่แหละจิตตสังขารกายยสังขารของหยาบพอฟัดพอเบี่ยงกันเลยรู้กายสติรู้กายสติ ร, สตรู้จิตเพืนความคิดอย่างหยาบสติหยาบมันก็รู้ทันนะความคิดละเอียดถ้าสติมาละเอียดเห็นกายละเอียดก็รู้ทันนะอันเดียวกันเลยนะนะมันจึงไม่ผิดหรอกสติดูกายนะในรูปแบบนะียึงไม่ผิดหรอก จะรูปแบบไหนก็ช่มัน เ, เพียงแค่ว่านะเวลามันเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเนี่ย น, นะไอตัวนี้มันเกิดขึ้นมามันเกิดจากแบบนะเราไม่ได้ใช้แบบเราใช้สติใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญานะมันไม่ใช่แบบไหนนะมันเป็นเรื่องของการเดินทางนะตกกระไดผลกระโจน การที่มีรูปแบบไว้เพื่อสร้างสรรค์ให้สติมได้เจริญสมาธิมได้เจริญปัญญาได้เจริญหลังจากที่มเจริญแล้วก็มีไว้ใช้ในี่แหละมันพร้อมแล้วนะอย่างหมอที่เราไปฟังในตอนต้นนะถ้าก็มนะีระดับที่เรียกว่าเห็นแล้วว่าออกายของเราเป็นทุกขนะ์กายไม่ใช่ตัวเราขันห่าไม่ใช่เราแล้วขันคนอื่นจะใช่เราได้ไง ต่างคนต่างรักษาเองไงกายใครกาใครรักษาเองใจใครใจใครก็รักษากันเอาเองของเราเราก็จุดแลของเราของคนอื่นก็ดูแลเอาเองไม่ต้องมาเสียใจกันถึงตรงนี้แล้วต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปแต่ถ้าอยู่กันมันมีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันก็ว่ากันไปตามเหตุตัดแปดใจตามภูมิรูปภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละคนก็ช่วยเหลือกัน แต่เต็นเนี่ยไม่รู้หรอกว่าใครเป็นหมอใครเป็นพยาบาลแต่มีนั่งอยู่ลองใครล้มตึงสักคนเนี่ยเมืเริ่มหมอจะไม่วิ่งพยาบาลจะไม่วิ่งใส่ต่อให้เป็นแพระเนียบอกว่าถูกต้องถูกเนื้อต้องตัวอาบัตก็ไม่จริงหมอใช้จิตวิญญาณของหมอเลยพระคือคนไข้ทันทีมันไม่ต้องถามว่าอาบัตหรือไม่อาบัตหรอกมันเข้ามาจัดการทันทีี้ยหรือว่าน อยู่ๆมีรถลองมาเครื่องดับอยู่ข้างหน้าในนี้ก็ต้องแสดงตัวสักคนที่คเคยมีประสบการณ์เรื่องรถมารู้ปัญหาว่ามันคืออะไรแล้วมีช่างแสดงตัวทันทีโกง ใ, ใครอยู่นิ่งๆนั้นก็คือเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลที่มีภูมิรู้ภูมิจิตภูมิธรรมสติปัญญาความสามารถให้ความช่วยเหลือทันที คงไม่มีใครหรอกมีทําแล้วอ ง, งอเมืองอเท้าเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านไม่มีหรอกมันมีแต่รู้ตื่นขยันอยู่ข้างในแต่บางอย่างบางทีก็ไปปล่อ ย, อยวางๆไว้บ้างเท่านั้นเองเพราะว่ามันเป็นอาการที่เรียกว่าขนขไกวเราไม่ทําแต่ว่าเป็นอาการที่เรียกว่าเหตุปัจจัยต้องทำอันนี้เราทําแน่นอนอันนี้เป็นสติปัญญาพาธรรมัมนเป็เรื่องของกิเลส ที่วันๆจะไปหางานอะไรมันทำซักซกซักซักมนงไม่ใช่หรอกอยู่นิ่งๆมันก็ได้มันมีอยู่นะอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองนะมีอยู่พักผ่อนพักผ่อนกายใจทำตัวแบบว่างไล้ตัวไล่ ต, ไลตนไปเลยนะเหมือนก็ตายจากโลกนี้ไปไม่มีเราก็อยู่ได้อยูนะ่ทุกคนก็สามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลผู้อื่นตามสมควรแก่กาลังนะมันมีอยู่ ก็เลเห็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆนะต้นไม้ใหญ่ๆนี่มันก็ทิ้งตัวเองแล้วแหละ <c oughs> จะตัดแต่งยังไงมันก็คงจะไม่งามหรอกเช่ <c oughs> นประตูตาสามรอปีหน้าวัดจะไปตัดแต่งยังไงมก็ไม่งามแล้วมันมีต่จะหักกิ่งสลัดร่วงลงมาสุดโทมท้ายสุดก็คงจะล้มสลายนะแล้วก็เหลือแต่ อดีตความทรงจำแค่นั้นเองมันก็จึงไม่ได้มีค่าอะไรนะักชีวิตจริงๆแล้วนะถ้าจะมีค่าที่สุดก็คือเอากายเอาใจนะมาเป็นพ่วงแพรมาเป็นอุปกรณนะ์ศึกษานะเอามาเป็นตำราเล่มใหญนะ่อ่านมันทุกบทนะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมานะเป็นสภาพธรรกุศลธรรมอกุศลธรรมต่างๆ เราก็ไม่ทําให้เป็นเรื่องของความเสื่อมหรือว่าเสียหายไหลลงต่ําอีกต่อไปเพราะว่ามันสามารถที่พัฒนานะไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้จริงๆนะโดยเพราที่หลวงพ่อทันเทศว่าท้ายสุดนะก็ขอพูดคําว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรเมื่อเช้าก็พูดพูดไปพูดมาก็มาจบตรงที่ว่าเราทุกคนก็เข้าถึง สภาวะที่มันหายตัวไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรใหม่ๆท่านฝึกด้วยความตั้งใจทิ้งลูกทิ้งเมียมาทิ้งครอบครัวมาแต่ท้ายสุดท่านก็บอกว่ามาบวชก็เพื่อที่จะพิสูจน์กรรมาฐานกรถฐานหลวงปู่เทียน ม, มีจริงหรือเปล่าการยกมือสิบส่เชิงว่าเดินจงกรมแล้วก็รู ป, ร ป, รปน้ำรูปสภาพของรูปทำน้ำทำกันหท่านได้เจอจริงจงจนกระทั่งภ า, าะวะแก้วแตก ทรงระยะนี altung, ้ไม่คยได้ยินท well ่านพูดเรื really ่องแก้วแตกก็คืออยู่ๆขันห้ามหันหลังให้กันหมดเลยเมื่อก่อนมันหันหน้าร่วมกันมันทํากรรมเหมือนกัเหมือนกับห้านี้ว่ามากรรมตอนหลังมันหันหลังให้กันไม่รู้จะกรรมยังไงมันก็เลยเป็นธรรมชาติตรงนั้นนะมันเหมือนว่าต่อแล้วก็ใช้ไม่ได้ต่อแล้วก็ใช้ไม่ได้ต่อแล้วก็ใช้ไม่ได้ตรงน้าท่านพูดกันว่าหยุด การแสวงหามันที่สุดของคําพูดแล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรเราก็เป็นจิตญานุสิทธิตเราก็ต้องเดินตามครูบาอาจารย์รอยของท่านมีอยู่ท่านทิ้งรอยไว้เราได้เดินตามแต่ไม่ใช่เป็นการวัดรอยนะเป็นการเดินตามรอยว่เาเดินวัดรอยเท้าไม่ดีเป็นความเสื่อมเป็นอภิมงคลแต่การเดินตามนี่ดีไม่ต้องเหยียบรอยแต่ท่านพูดไว้เป็นทางแล้วก็ไปทางนี้แหละ ดูกายจนกระทั่งมันดูเป็นอยู่ในรูปแบบจนทำเป็นนอกรูปแบบก็ทําเป็นท้ายสุดนะีนแ่แหละก็จะมปเรื่องหน้าอานุโมนากันที่เรามารวมกันทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะหลังจากที่ทําความเพียนกันมาทั้งวันนะก็คงจะมีความเพียนกันอยู่ทุกคนนั่นแหละแล้วก็ท้ายสุดเราก็มารวมกันทําวัดเห็นหน้าเห็นตากันนะฟังเทศฟังธรรมก็ขอให้นะการปฏิบัติดี๋ของเราทั้งหลายนั่นก็จะเป็นไปเพื่อ การทาที่สุดแห่งกองทุกในปฐพวันชาตินี้โดยตัวหน้ากันทุกรูปทุกนามเติอน